คนนะพออายุเยอะขึ้นเรียนกรรมฐานยากขึ้นนี่มันมีข้อยกเว้นเหมือนกันบางท่านท่านบวชเมื่ออายุมากท่านก็เด็ดเดี่ยวภาวนาดีสมัยพุทธกาลก็มีอย่างพระราธะท่านบวชเมื่อแก่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าง่ายสอนง่ายสารีบุตรพระสารีบุตรท่านเป็นอุปชา้าก็ชม บ่าง่ายสอนง่ายถ้ามีลูกศิษย์อย่างนี้นะท่านเป็นอุปชาให้ได้เยอะเลยอุปชาสมัยโบราณเป็นอุปชาเราต้องดูแลเดี๋ยวนี้บวชบวชไปงั้นสมัยก่อนต้องอยู่กับอุปชาอาจารย์บวถ้ามีลูกศิษย์ว่าง่ายท่านก็ดูแลได้มากสมัยของเรานี้ก็มีมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่นงคือหลตาผนึกออกบวชเมื่ออายุหกสิบ ภาวนาเก่งนะอยู่มาจนเกือบเกือบ90ิเป็นพระที่ภาวนาดีเงีนยบวชไม่แก่มนะันอยู่ที่ตัวเราเองนะถ้าอดทนจริงๆพากเพียนก็ทำได้แต่คนส่วนใหญ่นะรีบภาวนาตั้งแต่อายุยางน้อยยิ่งภาวนาง่ายอายุเยอะภาวนายากใจมันเคยชินที่จะหลงกับโลก เคยชินมานานหลายสิบปีไหลตลอดเวลากว่าจะตั้งมั่นขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเราหัดตั้งแต่ใจเรายังไม่ชินกับการหลงไปไหลไปใจตั้งมั่นฝึกไม่ยากเท่าไหร่มันยังไม่ชินกับการหลงเงินภาวนานได้ตั้งแต่อายุน้อยๆดีที่สุดเลยนะเคยมีครูบาาจารย์องค์หนึ่งท่านคุยให้ฟัง ท่านบอกเวลาคนจะเอาของไปใส่บาตรเขาต้องเลือกของที่ดีที่สุดใส่บาตรชีวิตของเรานี้ก็เหมือนกันชีวิตในวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ย mm hmm. เป็นวัยเจริญงอกงามเป็นของดีเอาไปลงกับโลกแล้วก็เสียเปล่าๆ เ, เอามาหัดภาวนาไม่ถึงขนาดว่ต้องบวชหรอกบวชไม่บวชไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกนะภาวนาให้เป็นก่อน ถ้าภาวนาเป็นแล้วมาบวชแล้วมีความสุขมากเลยถ้าภาวนายัางไม่ได้รู้เห็นอะไรจริงมาบวชเนี่ยทุกข์ทรมานมากเลยทุกข์กว่าโยมเยอะเลยอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนอยากเที่ยวไม่ได้เที่ยวมีแต่เรื่องต้องอดทนอดกลั้นทรมานมากให้พวกเราตั้งอกตั้งใจฝึกภาวนา ยังดูส่วนใหญ่ก็หนุ่มๆสาวๆกว่าหลวงพ่อนะในนี้ซีเนี่ยกว่าหลวงพ่อมีไม่มากอะหลวงพ่อหัดภาวนาแต่เด็กตอน7ขวบหัดภาวนาไม่กี่วันนะทำสมาธิได้ล้หายใจอ อ, ก ห, จอ ก, กหายใจเข้าแต่ตอนเด็กๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุดหายใจออกโทนับสองครูบาอาจารย์ท่านสอนให้นับถึง10 แล้วก็มานับ9้านับ8ปดเจดหห้าแบบปล่อยจรวด่ตอนเด็กนับเลขอย่างนั้นนับไม่เป็นเลยถึง10แล้วก็ต่อ1ิบเอ็ดสิไปถึงร้อยแล้วเริ่มนับใหม่พอนานนะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยท่านบอกให้ทําหายใจไปเข้าพูดหายใจออกโทแล้วก็นับไปเรื่อยก็นับไปเรื่อยบอกให้ทําก็ทําไม่ได้คิดว่าทำแล้วจะได้อะไรพอนานไม่นานหรอกไม่กี่วัน ลมหายใจก็ตื้นตื้นต้นสั้นขึ้นเรื่อยๆทีแรกหายใจนัมันจะหายใจไปถึงท้องแต่เวลาพวกเราหัดภาวนาใหม่ๆเวลาเราจงใจหายใจนั้นมันจะหายใจตื้นๆอยู่ที่หน้าอกนะแต่ถ้าเราเวลาเราเผลอๆเราหายใจตามธรรมชาติเนี่ยมันจะรู้สึกลมหายใจมันยาวลึกลงไปถึงท้องเลยงั้นเวลาเรามาหัดรู้ลมหายใจเนี่ยเบื้องต้นท่านพูดถึงลมหายใจยาวก่อนหายใจตามธรรมชาตินั่นเอง ไม่ได้แกล้งหายใจถ้าแกล้งหายใจมันจะหยุดที่หน้าอกนิ่งตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเคยฟังพระองหนึ่งเป็นเจ้าคุณอยู่วัดโพท่านเด็กๆชอบท่านเพราะท่านชอบเล่านิทานสนุกท่านสอนนะบอกว่าเวลาหายใจเนี่ยสังเกตไหมเอาให้ให้ทุกคนหายใจตอนนั้นเป็นเด็กนักเรียนนะท่านมาเทศที่โรงเรียนให้หายใจทุกคนหายใจเสร็จแล้วท่านถามว่า S <S สังเกตหรือเปล่าว่ามันหายใจด้วยหน้าอกท่านถามว่าเวลาหายใจเนี่ยท้องพองท้องยุบหรื อ, น ห, Leah, อหน้าอกพองหน้าอกยุบท่านสอนนี้ส่วนใหญ่เขาจะ บ, บอกว่าหายใจแล้วหน้าอกพอกหน้าอกยุบหลวงพ่อบอกหายใจแล้วท้องพองท้องยุบท่านบอกว่าถ้าเคยภาวนานะเวลามาจงใจหายใจเนะี่ยท้องพองท้อ ง, องยุบนะแต่ถ้าไม่เคยภาวนามาอยู่ๆไปรู้ลมหายใจนั้นเจอหน้าอกพองหน้าอกยุบมันจะหายใจตื้นๆ หายใจตื้นๆพอเริ่มต้นด้วยหายใจตื้นๆจะอึดอัดจิตไม่สงบหรอกการที่พระพุทธเจ้าท่านเริ่มต้นด้วยหายใจยาวท่านะบอกดูก ร, ราภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงดําลงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาว ห, หายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวดูก ร, ราภิกษุทั้งหลายเนะมื่อหายใจ ออกสั้นให้รู้หายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นให้รู้หายใจเข้าสั้นเบื้องต้นยาวยาวนี้ไม่ใช่หมายถึงเวลาตอนเด็กๆนะหัดภาวนาสบายๆท่านลมก็ยาวถึงท้องสบายพอโตขึ้นมาอ่านพระสูตรนี้นะหายใจยาวยาวหมายถึงอะไรหมายถึงหายใจนานๆนะมั้งงั้นพยายามหายใจให้นานหายใจเข้าก็ให้นานที่สุดเลยหายใจออกก็ให้นานนี่อึดอาดอีกรู้ว่าไม่ใช่ คิดมากไปการที่ท่านเริ่มจากลมหายใจยาวก็หมายถึงว่าหายใจตามธรรมดาของเรานั้นแหละอย่าไปดัดแปลงลมหายใจรู้สึกตัวขึ้นมาทํนะตาตัวตรงๆหายใจไปสบายๆด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่าไปมุ่งที่บังคับจิตให้สงบถ้าบังคับจิตให้สงบจะเครียดจิตจะไม่สงบเลย หายใจไปอย่างสบายด้วยความผ่อนคลายด้วยความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแบบผ่อนคลายไม่รู้สึกแบบเครียดเครียดรู้สึกแบบเครียดแล้วจะลมก็จะตื้นเงั้นการที่ท่านเริ่มต้นด้วยลมยาวเนะี่ยก็หมายถือว่าใช้ลมหายใจปกติของเราลมหายใจปกติของเรายาวอยู่แล้วนะยกเว้นตอนโกรธหรือตอนมีราคะโทสะแรงๆต่างๆแม้ลมจะตื้นเวลามีราคะโทสะแรงๆลมหายใจจะตื้นตื้นต้นขึ้น เวลาธรรมดาของเราเนี้ยลมจะยาวมันจะผ่อนคลายหายใจด้วยความผ่อนคลายเวลาเครียดแล้วลมมจะตื้นขึ้นมางั้นเวลาเราเริ่มปฏิบัติเราเห็นร่างกายหายใจนะหายใจไปสบายๆไม่เครียดหรอกมันสบายอยู่แล้วมันโปร่งโล่งเบานะหายใจยาวๆอยู่แล้วหายใจไปสบายอย่าไปเปลี่ยนแปลงการหายใจคือปกติเราหายใจยาวอยู่แล้วนะ นี่พอเราจงใจปฏิบัติจะหายใจสั้นไปเปลี่ยนแปลงการหายใจงั้นเคล็ดลับของการที่จ ะ, mm. จะเจริญอา น, นาปนาสตินะหายใจยังไงก็หายใจอย่างนั้นอย่าดัดแปลงการหายใจสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงการหายใจนะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากการจเจริญอา น, นาปนาสติก็คือการมีสติขึ้นมาระลึกรู้เห็นร่างกายหายใจยาวๆก็รู้นะ หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้นี่ถ้าดูละเอียดลงไปอีกนะเรื้องต้นเนี่ยมันจะเรื่องยาวแต่ต่อไปมันจะสั้นสั้นยังไม่ใช่เพราะเครียดคราวนี้สั้นเพราะว่าการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนี่ยจะเริ่มลดลงการใช้ออกซิเจนจะน้อยลงงั้นลบนี้จะตื่นขึ้นตื่นขึ้นแต่ไม่ใช่ตื่นเพราะว่าไปบังคับเหมือนตอนหัดใหม่ การหันใหม่เนี่ยปกติก็าหายใจยาวแล้วพอเริ่มลงมือปฏิบัติทำนีหายใจอยู่ที่หน้าอกนิ่งตื้นๆแต่เวลาเราภาวนาไปเราหายใจยาวไปพอจิตใจเริ่มผ่อนคลายนะอารมณ์ไม่หวือหวาการใช้ออกซิเจนอยู่น้อยลงพอใช้ออกซิเจนน้อยลงเนี่ยการหายใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนจังหวะของมันเองจะหายใจตื้นแต่ตื้นแบบมีความสุขมีความสงบนะไม่ใช่แบบเครืองเครอง่องงนี้นะแบบ คลุคลั่งลนะ้นี่ตื้นตื้นจริงนะแต่ว่านุ่มนวลไม่ใช่หายใจเพื่อเพื่อเอยู่ที่หน้าอกอย่างเงี้ยหายใจตื้นตื้นลมมันขยับคล้ายๆสั้นลงสั้นลงสั้นลงจิตใจกับลมนะสัมพันธ์กันถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านนะลมก็หยาบถ้าจิตใจเราละเอียดลมก็ละเอียดไปด้วยจิตใจสงบลมก็ละเอียดไปด้วยงั้นเรานั่งสบาย เราเห็นร่างกายหายใจนะใจเราสบายมีความสุขใจคลอยสงบสงบการเผาผลาญก็น้อยลงน้อยลงนะลมก็ตื่นตือนเตือนเตนขึ้นไปในที่สุดลมก็มาหยุดมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกนึงก็สว่างขึ้นมาเหนะมือนก็ไม่หายใจที่จริงหายใจนะหายใจแต่มันหายใจน้อยนะบางคนก็รู้สึกมีลมแผ่ซ่านไปตามผิวหนังเหมือนหายใจทางผิวหนังได้นะ มันใช้ลมหายใจใช้ออกซิเจนน้อยนะแล้วใจมีความสุขใจมีความสงบค่อยๆลมหายใจหยุดเราเข้าฌานเป็นลําดับลําดับไปนะถึงลมหายใจหยุดเนี่บางทีถึงฌานสี่ไปเลยไม่มีลมละอยู่อย่างนั้นก็ได้ความสุขได้ความสงบค่อยๆฝึกถ้าเราทําได้นะเราจะได้ที่พักผ่อนที่ดีมากเลย ในโลกมีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายจะพักผ่อนทางโลกมีแต่เรื่องเสียสตังค์อย่างพักผ่อนทางโลกต้องไปดูหนังก็เสียสตังค์ไปกินไปเที่ยวเสียสตังค์คนยากคนจนกับคนรวยได้บริโภคไม่เท่ากันแต่ลมหายใจเนี่เราได้บริโภคเท่าเท่ากันจะคนจนคนรวยคนแก่คนเด็กอะไรนะได้เท่าเทียมกันจะพระจะโยมได้เท่าเกัน นั่นเรามีทรัพยากรที่สาคัญในการภาวนาอยู่แล้วนะคือลมหายใจของเราเองไม่ต้องซื้อหาอะไรเพียงแต่ว่าเติมสติลงไปในการหายใจอย่าไปบังคับการหายใจให้เปลี่ยนแปลงจังหวะหายใจไปตามธรรมชาติธรรมตาดูร่างกายเป็นหายใจใจเรามีสติใจเราเป็นแค่คนดูสติระลึกรู้ร่างกายที่หายใจอยู่นี่เรียกว่าอนาปนาสตินะ อนาปนาสติมีสติอยู่ในการหายใจออกมีสติการหายใจเข้ามีสติรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสติเมื่อาฝึกเรื่อยๆนะใจก็จะอยู่กันเนื้อกับตัวใจก็มีความสุขมีความสงบแต่ว่าพอมีความสุขมีความสงบรู้เนื้อรู้ตัวดีแล้วเรามาทํางานที่ยิ่งกว่านั้นเป็นประโยชน์สูงกว่านั้นอีกคือการเจริญปัญญา การเจริญปัญญานคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามเรียนรู้ความจริงของเขาว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าเราเห็นความจริงว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานี่จะทำลายความเห็นผิดเป็นลำดับลาดับไปแต่เดิมเราเห็นผิดเราเห็นว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นตัวเราพอมาหัดเจริญปัญญาใจเราสบายละ แเราก็น้อมใจมาดูกายน้อมใจมาดูจิตใจนะนึกถึงร่างกายบ่อยๆนึกถึงจิตใจบ่อยๆ่อยอย่างถ้าเคยทําอานาปนานสติมานะก็ต่อขึ้นมิปัสสนาได้เลยอนาปนานสติเป็นกรรมฐานที่อัศจร์เป็นสมถกรรมฐานก็จริงนะแต่ว่าต่อขึ้นไปทํำมิปัสสนากรรมฐานได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนกรรมฐานเหมือนการดูจิตเที่วเหมือนกันการดูจิตเท่า เ, เป็นกรรมฐานที่อัศจร การดูจิตเป็นสมถะก็ได้นะต่อขึ้นทำวิปัสนาเลยก็ได้เหมือนกระลมหายใจมีกรรมฐานอยู่ไม่กี่อย่างหรอกที่ควบได้ทั้งสมถะและวิปัสนานี่หลวงพ่อตอนเด็กๆ เ, เล่นอานาปนสติเล่นแล้วมาหยุดอยู่แค่สมถะขึ้นวิปัสนาไม่เป็นมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตมาทำวิปัสนาทำวิปัสนาเป็นแล้วไปทำอานาปนสติมันก็เกิดอานาปานสติแบบวิปัสนาขึ้นมา เวลาไปดูจิตเวลาต้องการพักนะก็ดูจิตแบบสมถนะเวลาจะเจริญปัญญาก็ดูจิตแสดงใจรักเนี่ยมันต่อได้เลยเป็นกรรมฐานที่อาศจรรยนะ์มีไม่กี่ชนิดหรอกนะถ้าเรารู้หลักของสมถะได้แม่นยำรู้หลักของวิปัสสนาได้แม่นยำนะไม่ยากอะไรอย่างเราทํามานาปนสตนะิเป็นกรรมฐานกลางๆใช้ได้กับคนทุกจนะิตแหละ เป็นของกลางๆเรื่องลมหายใจทุกคนมีลมหายใจอยู่แล้วนี่หายใจด้วยความรู้สึกตัวไปถ้าหายใจไปนะใจไม่วอกแวกไปไหนเลยใจอยู่กับลมสบายเห็นร่างกายหายใจไปอย่างสบายมีความสุขไปเรนะื่อยลมจะสั้นเข้าสั้นเข้านี่สุดลมก็หยุดกลายเป็นแสงสว่างบางคนมีปีติมีปีตินะัมันจะรู้สึกแผ่ซ่านไปตามผิวหนังมันเหมือนหายใจด้วยผิวหนังอาการของปีตินะ เป็นหายใจด้วยผิวหนังอันนี้เป็นสมถะถ้ายจะขึ้นวิปัสสนาจากอนาปนาสติเราจะขึ้นวิปัสสนาเราจะทําไงก็ไม่ยากอะไรปรับจิตนิดเดียวแทนที่จะให้จิตอยู่กับความสุขความสงบนะปรับนิดเดียวถอยจิตขึ้นมานิดหนึง่งให้จิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูจ่เริ่มเห็นว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันแลนั่งหายใจเหมือนเดิม แต่แต่เดิมเนี่ยหายใจไปแล้วมุ่งไปที่ความสงบของจิตนันได้สมถะพอลมตื้นตื้นตื้นสบายมีความสุขแล้วอยู่กับความสุขอยู่กับความสบายนั่นเป็นสมนถะพอสบายพอสมควรแล้วนะหายใจไปอีกหายใจแล้วคราวนี้มีจิตเป็นคนดูค่อยๆดูไปคล้ายๆมันจะถอนเอาความรู้สึกตัวถอยออกมานิดหนึ่งมันจะแยกกับร่างกายจิต ก, กับกายมันจะค่อยๆแยกออกจากกัน เห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูนะนี่ถ้าพวกเราทำสมาธิทำสมถะไม่เป็นเข้าชานไม่เป็นนะจะเริ่มจากอนาปนสติแบบวิปัสสนาเลยก็ได้ไม่มีข้อห้ามไม่ใช่ทุกคนต้องเริ่มจากสมถะนะการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยใช้สมาธินาปัญญาก็ได้ใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้ใช้สมาธิและปัญญาควบกันก็ได้นะงั้นถ้าเราทาความสงบจิตใจได้ล้วก็ทา ถ้าทำไม่ได้เราก็เอาใหม่หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเรื่อยๆนะอย่างนี้เราจะได้จิตที่เป็นคนดูพอจิตหนีไปคิดลืมรู้ร่างกายที่หายใจจิตนี้ไปคิดุ๊บเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดแล้วแล้วก็กลับมารู้สึกตัวใหม่้อนะจิตไหลไปคิดอีกรู้อีกมันจะกลับมาเองห้ามดึงถ้าจงใจดึงจะแน่นเกินไปทาผิดแล้วจะไม่เดินปัญญานะ เอาแค่ว่าจิตเผลอไปแล้วรู้หายใจไปสบายๆแล้วจิตเผลอไปคิดแล้วรู้หายใจสบายๆจิตเผลอไปคิดแล้วรู้นะไม่ได้ห้ามเผลอไม่ได้ห้ามคิดเอาแต่ ว, ว่าเขาเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้นะแค่รู้ไม่ดึงคืนมาบางคนพอรู้ว่าจิตไหลไปแล้วกระชากจิตกลับมานะตั้งเดอยู่แข็งๆอยู่อันนี้จะไม่เดินปัญญาสมถะก็ไม่ได้จริงด้วยเพราะไม่มีความสุข ก็ไม่ได้ทั้งสมถะไม่ได้ทั้งวิปัสนากลายเป็นอัตตะกิลมฐานโยกทรมานตัวเองพอเลิกทรมานนะหมดการเพ่งเมื่อไรคราเนี้ฟุ้งซ่านแหลกลานอารมณ์จะร้ายมากเลยถ้าสมถะนะจิตใจมีความสุขอ่อนโยนนุ่มนวลสบายสมถะที่ถูกงั้นพวกเราหายใจไปนะแล้วก็ค่อยๆสังเกตร่างกายหายใจจิตเราเป็นคนดูนะฝึกอย่างนี้นะ เราจะได้แยกทางจากอนาปนานสติที่เป็นสมถะขึ้นไปสู่อนาปนานสติที่เป็นวิปัสนาเพราร่างกายกับจิตใจแยกออกจากกันแล้วเราจะเห็นร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกือมีลมเข้ามีลมออกหายใจไปเรื่อยใจเราเป็นคนดูร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเหมือนถุงใบหนึ่งนะเป็นถุงหนังใบหนึ่ง มีลมไหลเข้ามีลมไหลออกนะเวลาไปกินข้าวเล้วก็เราก็รู้สึกในร่างกายต่อไปอีกกิ น, ะนข้าวเราก็เห็นอาหารไหลเข้าไปขับถ่ายอาหารไหลออกนะดูร่างกายก็เป็นแค่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกค่อนะยดูไปาหายใจไปอย่างมีความสุขนะต่อขึ้นไปเดินปัญญานะในขั้นสูงขึ้นไปอีกก็ได้ อย่างธรรมานาปนสตินะเป็นสมถะก็ได้เป็นวิป <najbardziej> ัสสนาก็ได้ต้องเป็นวิปัสสนาเราก็เริ่มแยกร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแล้วก็เห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุธาตุยับขึ้นไปเจริญปัญญาอีกแบบหนึ่งก็ได้นะการที่เห็นร่างกายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งร่างกายไม่ใช่เราเป็นกายานุปัสสนาที่เป็นวิปัสสนากายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนากรรมฐาน หายใจไปเรื่อยนะจิตใจมีความสุขรู้ทันหายใจไปจิตใจฟุ้งซ่านไม่มีความสุข um. มีความทุกข์เกิดขึ้นมาในใจรู้ทันหรือหายใจไปแล้วอึอดอัดในร่างกายมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายรู้ทันหายใจแล้วสบายในร่างกายรู้ทันคือหายใจไปแทนที่จะรู้ร่างกายที่หายใจอย่างเดียวนะื่อคนก็พัฒนามาสู่การรู้เวทนา หายใจไปแล้วร่างกายมีความสุขก็รู้หายใจแล้วร่างกายเป็นทุกข์ก็รู้หายใจไปแล้วจิตใจเป็นสุขก็รู้หายใจแล้วจิตใจเป็นทุกข์ก็รู้หายใจแล้วจิตใจเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ในการที่เราคอยรู้ทันความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจแล้วก็จะขึ้นมาสู่เวทนานุปัสสนาตรงที่เราเห็นความสุขความทุกข์ในกายเห็นความสุขความทุกข์ในใจอันนี้ยังเป็นขั้น มีสติแต่ยังไม่มีปัญญายังไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงถ้าขึ้นวิปัสสนาจริงต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาก็าได้เห็นไตรลักษณ์ของกายเขาได้อย่าง <c oughs> เราดูกายหายใจนะัเราก็เห็นกายเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้เรียก <c oughs> เห็นอนัตตาอย่างนี้เป็นวิปัสสนามาดูความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายถ้าไปรู้ว่ามีความสุขรู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นอันนี้แค่มีสติไปรู้ยังไม่เป็นวิปัสสนา ถ้าเราแยกได้เราเห็นได้นะว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่อันนี้ถือจะเป็นวิ ป, ปัสสนาหรือเห็นว่าความสุขความทุกข์เกิดได้ก็ดับได้นี่เห็นอนิจจังของเวทนาของความสุขความทุกข์ดูความสุขความทุกข์ในใจก็ได้ในกายก็ได้แสดงใจรับเหมือนเหมือนกัน แต่ถ้าดูในจิตใจได้ให้ดูที่จิตใจเลยความสุขเกิดขึ้นที่จิตให้รู้ความสุขความทุกข์เกิดที่จิตใจให้รู้ความเฉยๆเกิดที่จิตใจให้รู้ถ้าดูที่จิตใจไม่ออกเห็นความสุขความทุกข์ในกายก็ยังดีถ้าดูที่ใจได้ดีกว่าสูงกว่าประนีตกว่านะเพราะมันจะขยับขึ้นไปต่อมันจะต่อขึ้นสติปัฏฐานอันที่3มคือจิตตานุปัสสนานได้ อย่างเราหายใจไปแล้วมีความสุขเรารู้มีความทุกเรารู้นะหายใจไปนานเราก็เห็นความสุขความทุก็เกิดดับได้ <lee. S 1> หรือบางทีเราถ้ า, าสติเราไม่ทันมีความสุขเกิดขึ้นสติตามไม่ทันราคะจะแทรกมีความทุกเกิดขึ้นสติรู้ไม่ทันว่ากําลังมีความทุกอยู่โทสะจะแทร้เพราง um <น>ะงั้นถ้าเรารู้ไม่ทันความสุขความทุกขที่กําลังปรากฏอยู่ กิเจะแทรกเข้ามาตรงที่จิตมีราคะเรารู้ทันจิตมีโทสะเรารู้ทันจิตหลงไปรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตโหดหูรู้ทั น, น, ท น, ทนอันนี้เรียกว่าเราจเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเราแค่เห็นว่าจิตมันโกรธ เ, เ, เห็นความโกรธเกิดขึ้นเห็นความโลภเกิดขึ้นยังไม่เป็นวิปัสสนาแค่มีสติเฉยๆแต่ถ้าเราเห็นอีกว่าความโกรธ เกิดได้ก็ดับได้ไม่เที่ยงความโลภเกิดได้ดับได้ไม่เที่ย ง, gateway, ยงนี่เห็นอ น, นิจจังก็ขึ้นมีปัสจนาในจิตตานุปัจจนาหรือเราเห็นว่าจิตจะกโกรธหรือจิตจะโลภหรือจิตจะหลงนะจิตจะดีหรือจิตจะชั่วเราสั่งไม่ได้มันเป็นของมันเองไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเรียกว่าเหนนาตาุอนัตตานี้ขึ้นมีปัจจนาละวมีปัจจนาหรือไม่มีปัจจนาต้องดูว่าเราเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจของรูปของนามหรือเปล่านะ ถ้าเราพังเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเฉยๆยังไม่เป็นวิปั ส, สนาแค่มีสติเฉยๆเป็นปัญญาพื้นๆยังไม่ขึ้นเป็นวิปั ส, สนาปัญญาถ้าจะเป็นวิปั ส, สนาปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์นั้นอย่างบางคนไปคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูณอสุภะอันนี้สมถกรรมฐานพิจารณาไปแล้วจิตใจสงบเนี่คยค่อยๆค่อยๆเรียนนะเริ่มจากไม่รู้จะทําจากอะไรก็หายใจเอา หายใจไปให้สบายหายใจไปอย่างมีความสุขหายใจอย่างผ่อนคลายลมก็ยาวสบายนะใหายใจเรามีความสุขใจเรามีความสงบมากขึ้นมากขึ้นลมก็ตื้นขึ้นตื่นขึ้นใ้สุดกล้เป็นแสงสว่างสบายสว่างอยู่มีปีตินะเหมือนกับมันซ่านไปทุกขุมขนเลยเหมือนหายใจด้วยผิวหนังได้เลยนะมีปีติมีความสุขนะมีความเป็นหนึ่ ง, ไ ม, งไม่หลงไม่ไหลไปไหนนี่ได้สมรถนะแล้วพัฒนาต่อไป ก็หายใจไปใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายกับจิตใจเป็นคนล่าันอันนี้ขึ้นกายานุปัสสนาละแล้วก็ตามมาก็เห็นว่าร่างกายมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ทำวิปัสสนาโดยใช้กายใช้รูปเป็นอารมณ์เป็นกายานุปัสสนาที่เป็นวิปัสสนาถ้าดูไปเรื่อยเืเห็นความสุขความทุกข์ในกายเห็นความสุขความทุกข์เฉยๆยในใจอันนี้ขึ้นมาทาเวทนานุปัสสนา ถ้าเห็นความสุขความทุกข์ในกายในใจทั้งเกิดดับไปเรื่อยบังคับไม่ได้ไปเรื่อยก็ทำวิปัสสนาด้วยเวท น, นานุปัสสนานะถ้าตูไปเรื่อยนะนอกจากความสุขความทุกข์แล้วสิ่งที่เกิดในใจเราไม่ใช่แค่สุขทุกข์บางทีก็มีดีมีชั่วเกิดเราเห็นความดีความชั่วที่เกิดขึ้นในใจนี้มีสติรู้ทันเราขึ้นมาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน แต่ถ้าเห็นว่ากิเลสทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับกิเลสทั้งหลายบังคับไม่ได้นะกุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับกุศลทั้งหลายบังคับไม่ได้อันนี้ขึ้นวิ ป, ปัสนาในจิตตานุปัปสนาแต่เป็นระดับของวิปัสนาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะต่อไปเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายตกอยู่ใต้ใจรักทั้งหมดเลยทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมตกอยู่ใต้ใจรักทั้งหมดเลย นี่เริ่มจากลมหายใจอันเดียวนะจะทําสติปัฏฐานได้ทั้ง4อย่างเลยเริ่มจากลมหายใจอันเดียวนี่ทำสมถะก็ได้ทําวิปัสสนาก็ได้วิปัสสนาทําได้ทั้ง4ี่ฐานเลยทําได้เยอะแ ย, ย, ย, ยะเลยหรือจะทําอานาปนสาาาาติแล้วพลิกแปลงไปเล่นอย่างนู้นอย่างนี้ก็ได้นะมีทางเลือกได้เยอะแยะอานาปนสติถ้าเราดูแบบสมถะนะเราเพ่งอยู่ที่ลมหายใจหรือเราเพ่งร่างกายที่หายใจ ถ้าเราเพ่งร่างกายที่หายใจเราเล่นกับสินดินอยู่ถ้าเราเพ่งอยู่ที่ตัวลมหายใจเราเล่นกับสินลมอยู่นะัได้กสินสองกองละถ้าเพ่งไปเพ่งไปนั้นจะกลายเป็นแก้วใสไปหมดร่างกายก็ใสลมหายใจก็ใสหรือดูไปเรื่อยลมหายใจหายกลายเป็นแสงสว่างเราไปเพ่งอยู่ที่แสงสว่างก็คือกสินแสงนะอย่างกสินแสงเนี่ ย, ยจะได้หลอกตาทิพย์ได้เลยพวกนีนะ้ได้เจโตะปริยญาณได้เลยพวกนีนะ้ได้กสินพวกนี้ ก็จะเล่นออกนอกลูนอกทางได้เยอะเลยนะถ้าจะเจริญปัญญาก็าต่อเข้าการเจริญปัญญาดังนั้นอานาปนาสตินะเป็นกรรมฐานที่อจจัศจรรย์มากเลยเป็นกรรมฐานที่แปลกคือใช้ได้กับจริตนิสัยทุกชนิดเลยราคาจริตก็ทำอานาปนาสติได้โทสะจริตก็ทำอานาปนาสติได้โมหจริตก็ทำอานาปนาสติได้ศนระัทธาวิโตก พุธทธิจดิตถ้ามานาปัฏติได้หมดเลยแล้วทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสนาทำสมถะก็ได้ตั้งแต่คณิกาสมาธิอุปจาราสมาธิอัปปนาสมาธิทำได้เจริญปัญญาก็เจริญได้ทั้งดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเห็นเป็นไตรลักษณ์ได้ทั้งหมดเลยแล้วจะสามารถทำสมาธิก่อนแล้วถอยเอามามาเจริญปัญญาดูกายก็ได้ จเจริญปัญญาเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเลยก็ได้จเจริญปัญญาไปก่อนแล้วความสงบเกิดทีหลังนะหรือเข้าสมาธิแล้วไปทำวิปัสสนาในฌานก็ได้ดูมันกว้างขวางขนาดนี้นะใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ปัญญานำสมาธิก็ได้สมาธิปัญญาควบกันก็ได้ด้วยอนาปนานสติสมาธิก็ได้ทั้งคณิกไะได้อุปจาระได้อัปปนานะแล้วพลิกไปเป็นอภิญญาก็ได้ งั้นอา น, านาปนสตินะถ้าใครทําได้พระพุทธเจ้ายกย่องนะมีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากเจ็บไข้ได้ป่วยทํามา น, านาปนสติปรับทา่าปรับขันได้อีกะ mm. เรียนไหมอยากเรียนไหมอยากให้รู้ว่าอยากหมดเวลาละแปดโมงไปกินข้าวนะกินข้าว น, นี่หมดแล้วครับ